ช่วงนี้ปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเส้นชนิดแคปซูลตราดอกบัวตองเบอร์หกี่ยากระสายเส้นชนิดแคปซูลตราดอกบัวตองเบอร์หกเป็นยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณแก้กระสายเส้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูนย์แปด7นึามย้ำ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 ตินแบ่งกันใช่ <c oughs> ติ้นเดินมันสิ้นใจเงินก็หมดสิ้นไปละใชนี่ไม่พอโอ้ยกรุมเจเดต้องดูริ้แกละแกบนจกต้องอดกูหนังสาสิบห้าบมองต้องแปะโปยละโอ้ยเป็นอย่างก็แซบปอสุมอละโอ้ยรอวันตัด ปีนี่รอดตัวละไข่ไข่ไข่บัวละลายตัวเ ล, ละอังรออยากเป็นนักน้องยืนเงินพี่เงินงน้องกำลังจาน้องมามังเพื่อดวงได้วังจะมีทางดังอยากได้เมียละไม่ต้องเสียส ต, ตังแต่ผลลับตัวตังต้องกลับมานดงเลี้ยงขไข่จอยก่อมีแหงเด็จบทิ้งนางนังกระทังทิ้อน้อยกับปิใส่น้อยเช่ามันอร่อยถึงใจเอาบิ๊กเด้าหันแล้วเามาดัน ฉักชวนแม่สมาาริมราพานกระจิมแบ่งกันชัยชอบ เ, อเสียงคนไข้มนงสียงผูยิงและชอบแม่สีเพอโอ้ยสุลพนก็ตายสีนวลเป็นมาอย่างนั่งได้เป็นกองอคุ่นดังฉันมันก็อลังทำหยิบยืมเหมือนพ่อขอไม่เป็นนักร้องอกลับมาบ้านอุ่นตต<อ>ไม่ร้องเพยงทรารกหนึ่ง เดือนมันสิ้นปิลูกกระดกสิ้นดิบพวกก็มีเมีย น, อนอ้อยโอ้ยยิงน้าฝนต้องท น, ทนทนทนตะเคงับจนมอยน่าเดินตายพวกก็ได้แม่ยใหน้าน่าหน้าน่ า, าสะเบยขึ้นหน่อยวงดนตรีเป็นร้อยไม่ดังก็มอยก็รอกไปจิ้มเรือจ้าคุณค้องขายกทิ้งนันกระทังทิ้ง น, น, น้อยระบิใส่นอยชะามันอร่อยถึงใจเอาบิ๊กเดาหันแล้วเอามาดันม นักชวนแม่สมลิ้มพลัดกันจิมแบ่งกันใช่มาเด้อได้เวลาป้อนเวลาย้อนกันเด้อบัดดีเด้อ ที่ไหนานหน่อยอยพึงใจน้อยถ้ทิ้งน้องหนยนั้นแย่บ่งน้องขาบอรองรอจะขอร้บงชัิงน้องหนยจะขอรบงชัิน้องหนวนกันละเด้อพอใเด้อวนกันละเด้อพอใช้เด้อสนุกกันเด้อเราพอใช้เมืองิงเอาอนเอากันละลิงติงลิงติงลิงติงผู้ลิงติงลิงติงจะติง จะติ่งน้องน้อยเก็บขอบรัดลอยหัวใจอาร่ณ์ทองมารวมฉลองน้ำกันเดนีน้ำบ้องดนตรีผัอชายน้ำบ้องดนตรีพอชายไดจักแลลมบอกเป็นอย่างนอก ไปฟังประวัติของศิลปินเจ้าของผลงานเพลงเมียพี่มีชู้ชาวบ้านเขารู้กักนแสด็่อะคุณแหมเป็นไม่อยากจะบอกว่าเป็นนักร้องนะเหมือนตลกมากกว่าคือผลงานเพลงแต่ละเพลงเนี่ยสื่อถึงเรื่องราวสะท้อนสังคมและก็แฝงถึงความตลกหกขันไปด้วย ท่านนั้นนั่นก็คือศิลปินแห่งชาติชื่อชายเมืองสิงค์ค่ะมีชื่อจริงนะคะว่าคุณสมเสียนผานทองโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงในปี2538แล้วก็มีผลงานเพลงนี่หูหลังไหลพังพรูเหมือนน้ำตก พี่ไม่มีวันเหือดแห้งะอะเพราะแต่งเพลงเองได้เพลงเนี่ยที่ประพันธ์เอาไว้เนี่ยประมาณหนึ่งเพลงโอแม่เจ้าหนึ่งพนะคะท่านผู้ฟังเยอะมากหลายต่อหลายเพลงเนี่ยมีนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลานเอามาขับร้องก็โด่งดังมีชื่อภาษาอังกฤษว่า the man city lion <laughs> จบนะคะการศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่างจากกรุงเทพ เห็นว่าเงินไม่พอใช้ก็เลยไปร้องเพลงเสียรำวงและหลังจากนั้นนะคะก็ตัดสินใจสู้ชีวิตอยู่เมืองกรุงเช่นรับจ้างตากผักเป็นกรรมกรตอกเสาเข็มรับจ้างเขียนป้ายวาดรูปโอ้โหแล้วก็มาอยู่แถวแถวตลาดปลูแถววัดปากน้ำภาษีเจริญนะเข้าวงการได้ยังไง เพราะมีโอกาสมาพบกับครูมงคลอมาตยากุลค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าวงจุลารัตก็อขอสมัครเป็นนักร้องในวงแต่ครูมงคลเนี่ยแกเป๊ะไงยืนเงื่อนไขว่าถ้าจะเข้าร่วมวงได้ได้แต่เองจองแน่จริงเองต้องไปแลสดแข่งกับพรพิรมซึ่งเป็นนักร้องดังในวงนั้น่ะ และก็เป็นนักร้องลูกทุ่งชั้นแนวหน้าของประเทศในยุคปี2 5 0พสี่ซึ่งชายเมืองสิงห์เนี่ยเขามีทักษะการแต่งเพลงอยู่แล้วไงถูกไหมคะก็ไปแรสดๆออกอากาศโต้กับพรพิรมเท่านั้นแหละค่ะแฟนเพลงเนี่ยหืมชื่นชมติดติดชายเมืองสิงห์กันเกลียวเลยทำให้ครูมงคลเนี่ยก็รับชายเมืองสิงห์อย่างที่ประกาศเอาไว้ ซึ่งผลงานเพลงที่เขาอัดเสียงเนี่ยไม่ให้ทำให้ใครมือคือผิดหวังอ่ะเขาได้รับฉายานะคือหล่อมากสมัยนั้นหล่อมากชื่อว่า a อเลนเดอร์ลองขเมืองไทยแล้วก็คณะตลกเมืองไทยเนี่ยก็ตั้งฉายาให้เขาว่าเดอะแมนซิตี้ไลออนเพราะแปลจากชื่อเขาไงคะชายเมืองสิงห์เขาก็อยู่วงจุฬาลัทห้าปีแล้วก็ออกมาตั้ง ดงตรีวงเล็กๆชื่อวงหลังข่าวประยุกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อวงจุลาทิพเขาเนี่ยได้ปันนักร้องลูกทุ่งดังๆหลายคนค่ะเช่นรพินภูไทยดีดอกมาดันอันนี้มันตลกนะดูดอกกระโดนซีหน่มเชิญยิ้มอันนี้ตลกนะตลกโอเคนะคะเพศโพทองแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะคะโดย ทำวงอยู่10ปีก็เจอทั้งปัญหาครอบครัวพ่อแม่เสียชีวิตทุกอย่างนะคะต่อมาเนี่ยคือมีการจัดงานเพลงกึง่งสตวรวัเพลงลูกทุ่งไทยในปี2532ค่ะเอาละค่ะประวัติชีวิตของคุณชายเมืองสิงห์ยังไม่จบเท่านี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตาม ประวัติของคุณชายเมืองสิงกันนะคะแต่ในช่วงนี้เราไปฟังเพลงเมียผีมีชูของคุณชายเมืองสิงกันก่อนคะ่ะ ตัวหัวใจช่างแข็งผัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรผัวดีชะไหนไม่เป็นแหลงเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนรักกี่คนเมียพี่มีชูคนรู้กันทั่วโทษตาพี่ทั่วเลือดคน ลายนาบนต้องหนาวกระมุดยอมทนหายห่วงเมียพี่มีชู้มันต้องเสียใจมันต้องเสียใจยไปห า, เายเจ้าไม่ดีกว่าปะละปะเตอยยัง ค, คนรู้นน ก, กันเกลอนสื่จอจนถึงเตอะช้ำสว่างโอเ้เอ๋ยพ่อไม้ไม่ใช่ประท้วงห่วงแต่ไม่ห่วง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 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมู b ไ i ร h ์สันจรบอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มู b ไ i ร h t ค่ะวันนี้นะคะ DJ แอมอยู่กับคุณนาริมลพร้อมพงศ์สีสวัสดีค่ะคุณนาริมลค่ะค่ะสวัสดีค่ะนาริมลพร้อมพงศ์สีค่ะค่ะบ้าที่งอหนึ่งนสองสองร้อยถนนดาวดึงอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณนารมลค่ะก่อนใช้ ก่อนที่จะมารู้จักกับมูลไบร์อ่ะค่ะคุณนริมนเป็นอะไรมาคะปวดขาก็คือปวดหลังลงขาค่ะมันปวดแล้วก็ชาที่ที่เท้าด้วยอะค่ะค่ะค่ะแล้วเป็นมานานหรือยังอะคะเป็นมาเท่านี้เข้าปีนี้เข้าปีที่สองนะค่ะอืมแล้วก็ฟังมูลไบร์ที่ทางวิทยุอะค่ะเพราะคนนั้นเขาหายคนนี้หายก็น่าน่าสนใจะค่ะเพราะตัวเองน่าจะหายได้ คือมันปวดขนาดไหนเป็นอาการปวดบบ ม, ามากะะเลยค่ ะ, ค, ะคือแบบปวดแล้วชาแบบปวดมากๆอ ะ, ค, ะค่ะแล้วก็มันตอนนี้อาการมันเป็นมากอะคือแบบเท้านี่มันคอเดินแล้วมันจะปัดๆอ ะ, ค, ะค่ะค่ะก็เลยต้องต้องกินนะคะเพื่อให้ตัวเองหายอะค่ะแล้วพอใช้ของมูลไบรท์ไปสักพักนึงรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะดีขึ้นอ ะ, ค, ะค่ะเบาค่ะอืม ที่บอกว่าเบาเนี่ยคื อ, อมีรายละเอียดไหมคะคือมันเบาปวดลงไปแล้วก็ไอที่เคยเป็นคือชาชานะคะมันก็เบาะะอ่ะค่ะอคิดว่าถ้าใช้ต่อไปเรื่อยๆคงจะหายนะคะคือตอนนี้เพิ่งเพิ่งได้ทดลองไปสองชุดเองอะค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วคุณนัลมนมีอะไรที่อยากจะฝากกับเ อ, อคนอื่นที่เป็นอาการแบบคุณนัลุมนบ้างคะ คนที่มีอาการอย่างดิฉันนะคะลองมาทดลองใช้มูลไบดูนะคะอาจจะหายค่ะอ mm hmm. พอดิฉันใช้แล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะหายนะคะค่ะแล้วเมื่อเทียบกับที่คุณนรุมน์อาการดีขึ้นน่ะคิดว่าราคาสินค้าของมูลไบเป็นยังไงบ้างคะคุ้มค่ะคุ้มกับเงินที่โจ้าเสียไปอะคะ่ะคือบางทีเราไปรักษาซื้อยาตรงตรงนี้มากินมันก็ไม่เบาแต่อันนี้คือแบบ กินแล้วเบาก็น่าจะเสียเงินตรงนี้ดีกว่าคนะ่ะที่จะต้องไปเสียตรงนู้นตรงนี้มารวมกันมันก็แพงอะ่ะคือตัวอื่นนะคะที่แบบหลายที่เราซื้อมากินนะคะอืมค่ะค่ะทางรายการมูนไบรท์ก็ต้องขอขอบคุณคุณนะรื้อมนเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาพบตัวจริงเสียงจริงของคุณประสงค์กันค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะให้คุณประสงค์แนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะชื่อประสงค์จริงครับค่ ะ, อ, ะอยู่บ้านขที่หกเก้าและหกค่ะนอนต้นใหม่ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ค่ะอยู่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะคุณประสง ค, ค์คะก่อนหน้าที่คุณพ่อจะมาใช้ผลิตภัณฑ์มูลไรทเนี่ยคุณพ่ออาการเป็นยังไงบ้างคะก็ปวดขาปวดหัวเข่าอะไรเงี้ยครับค่ะปวดหัวปวดขาปวดหัวเข่าปวดปวดขาปวดหัวเข่าแล้วก็มือก็จําเร็จมือชาอย่างเงี้ยครับอืมมือชาคุณพ่อนี่เป็นอมัมพาตหรือเปล่าคะเป็นครับเขาล้มในห้องน้ำแบบ อืมแล้วคุณพระคุณพ่อปวดขาปวดหัวเขา่ามือชาเนี่ยเป็นมานานหรื อ, อยังคะเป็นมาประมาณเกับสองปีครับอืมก็เรียกได้ว่าทรมานมาตลอดสองปีนะคะครับเราก็แบบเหมือนคนแก่ด้วยครับเขาก็นนเป็นนู่นเป็นนี่ครับอืมค่ะแล้วคุณประสงค์รู้จักกับผลิตภัณฑ์มุลไบรด์ได้ยังไงคะ อ๋อฟังยุตยุครับแล้วเขาบอกให้ซื้อสั่งซื้อให้เบี้ครับอพอใช้ไปแล้วผลลัพธ์ที่คุณพ่อได้รับกลับมาเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกว่ามันก็ดีครับว่าสิ่งใช้แล้วมันก็เบามันก็ดีอลองใช้ดูมันก็ดีครับเดี๋ยวนี้อาการที่บอกว่าปวด้าปวดเข่าชามือหรืออามาเพลกเนี่ยยังมีอยู่ไหมคะ ครับมันก็เบาเขาก็บอกว่ามันก็เบาลงครับคุณตาสงมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคะที่มีอาการอัมพาตพลึกปวดขาปวดเข่าชามือแบบคุณพ่อค่ะก็ถึงว่ามันอะไรอ่ะมันกินมันก็เขาก็วันดีนะต่อเขาก็บอกว่ามันดีก็เออกินก็พอได้แต่เขาเก่งใจเขาไม่อยากให้ลูกซื้อมากบอกว่ามัน ราคามันก็ค่อนข้างแบบเหมือนว่าแกงใจลูกอะไม่อยากให้ลูกตไปมาเงี้ยพอเขาหายแล้วเขาก็ไม่กินแล้วอ๋อก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ก็ก็หายไม่กลับมาเป็นอีกพ่อก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรอย่างงี้ใช่ไหมคะครับเขาก็ว่างแล้วนะบอกไม่ต้องกินแล้วพอแล้วหยุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยหยุดกินก่อนหายแล้วอนะค่ะครับเขาก็ว่าประมาณนั้นนะครับค่ะ ทางรายการมูนไรท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณประสงค์นะคะที่มาบอกเล่าอาการของคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องท่ามือเท้าคุณประสงค์คิดว่าเรื่องของเส้นนะคะไม่ต้องรักษาปล่อยให้มันหายเองมันจริงไหมคะมันโม่ถึงมันก็หายเองไม่ใช่นะแต่ว่าเกิดเขาจินยามั่งนวดบ้างอะไรเงี้ยเป็นบางทีแต่ว่าพอนานนานเข้าแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาอายุมากแล้วเขาก็คิดว่ามันคงจะเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยเขาก็เลยปล่อยปล่อยไป อืมตอนแรกก็คิดว่าเป็นธรรมดามสุดท้ายก็เลยเป็นหนักถูกไหมคะตอนแรกเขาไม่สบายเขาล้มในห้องน้ํำว่ามันก็เลยเป็นหนักแล้วก็พอกินยากิอกนอะไรมันก็เบามาก็ยังชั่วแล้วพอเดินได้อะไรได้ทํางานแบบอยู่บ้านทํางานบ้านอะไรเล็กไม่นน้อยได้อะไรอย่างเงี้ยปกติเราทาได้เลดนิดหน่อยอะ่ะค่ะแต่พอเหมือนกับมาใช้มูลไบรท์นี่ก็ดีขึ้น หายเลยครับแล้วก็ครับป ร, ประมาณนั้นเลยค่ ะ, คะขอบทางรายการมูลบต้องขอขอบคุณคุณประสงค์เป็นอย่างมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับ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 Dead. คุณสมศรีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสมศรีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณสมศรีแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะอ๋อชื่อสมศรีค่ะค่ะอยู่นครสวรรค์นะคะถนนดาวดึงเนี่ยค่ะถนนดาวดึงตำบลปากน้ำโพใช่ค่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ ใช่ค่ะค่ะคุณสมศรีอาการก่อนที่จะมารู้จักกมุมูล布莱เนี่ยอาการเป็นอะไรมาคะก็เป็นตะคิวบ่อยอะค่ะเป็นตะคิวเกือบทุกคืนเลยแล้วก็ภาคหลังๆนี้มาอีกโรคหนึ่งก็คือข้อไหล่ติดนะคะยกยกแขนไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สูงเลยค่ะค่ะอ่าแล้วก็รักษาอยู่แต่ก็ไม่หายค่ะ แล้วก็มามามาม า, มาทดลองกินได้ฟังวิทยุเอ่อบอกว่าไอ้ไอ้ของบริษัทมุนไบเนี่ยค่ะดีเมื่อก่อนจะเมื่อก่อนเคยทานไปพักหนึ่งตอนนั้นเป็นตะคิวแต่ด้วยหายด้วยมุนไบนะะอ่ะค่ะแล้วตอนนี้ได้ข้อไหลติดเลยคิดถึงมุนไบฟังอยู่ทุกวั น, นะะะอน ะ, ค, ะค่ะก็เลยลองค่ะค่ะค่ะแล้วเบาคืดเบาและะะ้วค่ะทานมาเกือบเกือบสองเดือนแล้วค่ะชุดใหญ่เนี่ย ที่บอกว่าตะคิวเนี่ยคะ่ะเป็นมานานไหมคะอืมก่อนที่จะทานเป็นนานนะคะเกือบเป็นเกือบทุกคืนเลยนอนไม่ได้ ม, มันเป็นปนมากี่ปีจนะ๊ะเป็นมาก็เป็นปีอ่ะคะ่ะเป็นปีแล้ว ก, แวก็แล้วก็กินมูลายหายไปแล้วพอพอเว้นไปได้สักสักสองห้าสี่สองสามปีอ ะ, ค, ะค่ะค่ะแล้วภาคหลังนี้ก็มาเป็นใหม่อีก ค่ะแล้วก็พอดีข้อไหล่ติดก็กินไปเพาะก็เลยหายไปพร้อมกันดีขึ้นข้อไหล่ยังยังยังยกสูงได้ได้เยอะแล้วค่ะแขนน่ะแต่ตะคิวหายไปเยอะมากเลยค่ะนั่นนะจะเป็นที่อากาศหนาวก็จะเป็นนะไม่หนาวไม่เป็นเจออากาศเย็นก็จะเป็นค่ะเรียกได้ว่าเบาลงไปเยอะแล้วจากเบาค่ะเรื่องตะคิวยอมรับว่า หายแต่ว่าถ้าเจออากาศเย็นอย่างเช่นไปทางเหนือมาอะก็ก็เจออากาศหนาวไม่ได้ใส่ถุงเท้านอนก็จะเป็นขึ้นมามที่นี้ก็ไอ้เรื่องข้อไหลติดมีความรู้สึกว่ายกได้ยกได้สูงขึ้ น, นะะอ่ะค่ะก็เลยพยายามมีความพยายามเดียมีความอดทนก็ตั้งใจกินจนหมดชุดใหญ่แล้วค่ะจะสั่งใหม่แล้วค่ะค่ะแล้วคุณสมศรีอะค่ะเ อ, อมองว่าผัิตภัณฑ์ของมูลไบรท์เนี่ย เออราคามันแพงเกินไปไหมเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราดีขึ้นนะคะก็ก็ถ้าใช่ค่ะถ้าเทียบกับสิ่งที่เราดีขึ้นก็คุ้มอะค่ะไม่ไม่แพงหรอกค่ะแหมเราความเจ็บปวดทรมานมากเป็นทุกข์มากถ้าได้มุนใบค่ะทานแล้วหายแหมเงินทองเราหาได้อ่ะค่ะถ้าถ้าร่างสุขภาพเราดีดีแข็งแรงเราเงินทองนอกกายของนอกกายหาได้อะค่ะ ผมค่ะค่ะมีบางคนมาฟังฟังวิทยุเขาไม่แน่ใจว่าของมูลไบร์เนี่ยเป็นหน้ามาหรือเปล่าหรือว่ า, า, วาทำไมมันมีแต่นคอสวรรค์นะคะค่ะใช่เออค่ะก็สมศรีก็ยืนยันนะคะว่ามันไม่ใช่หน้าม้านะมันพูดแบบธรรมาชาตินะคะสัมภาษณ์แบบเบาเขาพูดดีก็บอกดีอ่ะเบาก็บอกเบา ก็ยังไม่ค่อยหายก็บอกยังไม่ค่อยหายดียก็ธรรมชาติดีนะคะแต่มันไม่ก็มั่นใจว่าไม่ใช่น้ำมาก็เลยก็เลยก็เลยตัดสินใจสั่งมา ก, กินนะคะเชื่อเชื่อใจค่ะเชื่อใจมูลนายค่ะค่ะ ทางราการมูนไบส์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณสมศรีเป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้ได้บอกเล่าประสบการณ์คนที่เคยตะคิวกินเป็นปีๆแล้วก็มีหัวไหลติดยกแขนก็ไม่ค่อยจะขึ้นเดี๋ยวนี้ก็หาแล้วเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเขาตอนก็เมื่อก่อนตอนกินอ่ะซื้อกับคุณฟ้านั่นอ่ะปวดหัวเข่าด้วยนะแล้วมันก็หายไปอย่างเฉยๆเลยก็ยังไม่รู้หายด้วยอะไรมันึกดูแล้วตอนนั้นกินมุนไบของคุณแม่ไปสองชุด แล้วหายก็เลืมแล้วก็หยุดไปพอตอนนี้ข้อไหลติดก็มาคิดถึงมูนไร่ ก, ก็ฟังวิทยุ อ, อยู่ทุกวันน่ะคะ่ะออืค่ะฟังอยู่ทุกวันคนเราก็มีโอกาสเป็นข้อไหลติดได้เนาะถ้าเกิดว่า อ, อาจจะยกของผิดท่าหรือด้วยวัยด้วยอายุที่เมิร ม, มมากขึ้นแต่พอมีอะไรขึ้นมาก็นึกถึงมูนไร่ก็ช<อ>่วยทําให้หายแล้วเบาตัวได้ทุกครั้ง่าหัวข่าก็หายนะก็อยากว่า แม่อยากจะบอกต่อๆค่ะว่าว่าถ้าใครปวดหัวเขาเนี่ยให้ให้เชื่อเชื่อใจเหอะกินมุนไบจริงๆปวดหัวเขาตอนนั้นก็ทรมานมากค่ะเดินกระเซกกระเซกเดินไม่ขาไม่ตรงแลเราเราคุณป้าสั่งคุณป้าก็ฟังเหมือนกันโดยสั่งคุณป้าคุณป้าส่งมาถึงหน้าบ้านแล้วมันหายไปเลยค่ะอ่ะอ่าค่ะทางรายการมุลไบต้องขอขอบคุณคุณสมศรีอยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงจากคุณป้าบางอ่อนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะให้คุณป้าแนะนำชื่อนำสกุลแล้วก็อป้าชื่อนามเอชื่อนาบางอ่อนนามสกุลชนิเคกิจค่ะอ่าอยู่ที่ไหนคะอ๋อทางานอยู่ที่แกนุกค่ะแกนวิศนุนี่อำเภอเมืองนครสวรรค์ใช่คะก็ค่ะ คุณป้าคะก่อนหน้าที่จะมาใช้ไม้ป้าเป็นอะไรมาจ้ะอ๋อพวกนเน็บชาเพื่อนตะคริวค่ะเป็นเน็บลางเป็นตะคริวแล้วอะไรอีกมาเป็นโรคแล้วก็เป็นโรคเบาหวานความดันค่ะโอ้เป็นโรคซีรีส์เลยเนาะป้าจากโรคฮิตนะเนี่ยใครๆก็เป็นน่าหัอโรคนี้เป็นของป้าหมดเบาหวานความดันตะคริวด้วยเน็บชาด้วย่ะ ป้าเป็นตะเกีเน็ตค่มากี่ปีจ๊ะโอ้โหสามสิบกว่าปีแล้วก็เพิ่นจะมาเจอนี่แนะะเพิ่นจะมาเจอแล้วอ่าเป็นมาตั้งแต่ยังสาวเนาะโอ้ยนี่อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วลูกอ๋อเจ็ดสิบกว่าแล้วนะจ้าแต่ก็ยังทางานอยู่นะคะอยังแข็ะไรงอ๋อจ้าป้าเป็นมาสามสิบปี เออแสดงว่าก็คงหาวิธีการรักษามาเยอะจ้ะจ้ะจรักษาอยู่โรงพยาบาลค่ะอืมค่ะแล้วคุณป้าใช้ของมูลไบรท์เป็นยังไงบ้างคะอ๋อเบาจ้ะเบาเยอะเลยจ้ะโอ้เบาเยอะ เ, ยเบามากแล้วก็แบบเน็บชานี่แล้วก็ตะคิวนี่จะเริ่มหายไปทีละหน่อย <c oughs> <c oughs> หายไปมากเลยทำงานได้สนักมากเลยอืม <c oughs> เขาไอ้ขาก็ไม่ปวดอะไรก็ไม่ปวดทำงานสบายสบายอืออ๋อตอนไอ้ที่แอาน้ำมันด้วยจ้ะอือใช้ไปชุดนึงว่าดีขึ้นเลยอ่าดีดีดีขึ้นสั่งใหม่นี่นะจ๊ะอืจ้ะอืมแล้วคุณพ่ดีมากมีมีมีอะไรจะฝากบอกกับคนที่เขาเป็นมานานๆแบบป้าไหมอ่ะอ๋อ ก็แบแบบว่าป้าก็จะฝากว่าไอ้บุ้งใบนี้เขาดีจริงๆเพราะว่าถ้าเราเป็นเน็ตชาเป็นไรเนี่ยพอตอนเราเลิกงานแล้วเราก็ทาแล้วก็นั่นแล้วก็โอ้โหมันดีจริงๆรอ่ะมันคือว่ามันหายจริงๆรินะเพราะว่าเงินแค่นี้ไม่ได้ขอให้หายอย่างเนี้ยป้าหายแล้วป้าแข็งแรงมากสอดเนี้ยใครใครก็เขาหาป้าเป็นเน็ตเหล็กใหญ่ เมื่อป้าแข็งแรงแลพรมันไม่เป็นแล้วอ่ะไอาชามือชาไอาตีนแล้วก็แบบตว<ช>ข้าวท้องเนี่ยมันนานๆครั้งมาก่อนเี่ยไม่เป็นมากอะ่ะเป็นจนว่าตัวเองก็ตะคิวข้าวท้องคงตายแน่อะอือก็คือป้าเนี่ยใช้ชุดน้ํามันของบุญไบร์ตก็เลยดีจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าทางรายการบุญไบร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าบางออนคํานี้เ อ, อ็กินะคะทีะ่อยู่ตรงโรงแรมแกรนวิศณุ อำเธอมืองจ่าจ่ะค่ะ่านที่ที่แบบบอกพอกเล่าเก้าสิบอาการนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ป้าสบายตัวแล้วเนาะสบายมากเลยจ่ะอ๋อจ่าจากอาการเดิมที่คุณป้าเคยเป็นเน็บขาเคยเป็นตะเกีวนะคะเป็นมาสามสิบกว่าปีมีทั้งโรคเบาหวานมีทั้งความดันค่ะค่ะมีป้าก็ดีขึ้นหมดแล้วนะคะดยทุกน้ำมันของมูนิธิค่ะเอบคุณมากนะคุณป้าค่ะค่ะค่ะ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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสุดทินนางงามกันค่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะออาให้คุณป้าสุดทินแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะป้าชื่อสุดทินนางงามอยู่วัดคีรุมค่ะค่ะยอดเขาดาวดึงนะค่ะเอได้เอาน้ำมันมันใช้สองครั้งสามครั้งเห็นผลนะคะยสองครั้งอ่ะ วางขาววันนี้ก็ลองมาใช่เนาะเออเขาก็ดีจริงๆอะค่ ะ, ะก็อยากจะอ่าบอกต่อเพราะคนเป็นโรคขาเยาะอะเนาะมันจะบอกต่อคนอื่นมาช่วยช่วยแบบเอะไรก็เ อ, อเขาก็เจ็บเหมือนเราเร า, าก็เจ็บอย่ทุกวันนี่โอ้โหทรมานไงนั่งไม่ได้นั่ ง, งแล้วหายท้องเ่ะเออใช้แล้วรู้สึกนอนส บ, บายหาเบาดีไง อ่าใครอยากจะนไทก่อเนาะก่อนไทเนี่ยเอออ่าคุณป้าแล้วคุณป้ามองว่าราคาของมูลไบมันเป็นยังไงบ้าง อ, อ๋อสำหรับป้าไม่แพงครับป้ากินอาหารเติมชุ ด, ด, ด, ด, ด, ด 4, 000, 5, 000นึงเป็นตั้งสี่พันหาพันนู่นอ่านั่งไม่ลงนะโค้เข่ า, ขามันงอไม่ได้กราบพระก็ไม่ได้เพราะป้าต้องทำวัดตรวจมงินอะไรทุกวันเนีไยเป็นเป็นมากือปีแล้วเนี่ยที่ว่าอ๋อเป็นมาเป็นมาตั้งสิงหาปีที่แล้วเนี่ย แล้วพอปีกว่าแลวนะเป็นขาเนี่ยนะค่ะค่ะกั<ต>ป้าไปเจอหาฉีดยาฉีดอะไรทั่วอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นอาหารเสริมไม่นอนดีนี่ดีหลายอย่างทุกอย่างขวดพันกว่านืา้นทุกอย่างจับปา้ากินอะไรเมือจัลพัดหมดน่ะเป็นสิบสิบอย่างแล้วมั้งเืออืจะพาในพันเทิร์นกัะะ 1, น, นน่ะ <laughs> ขวดมันก็ไม่ดีเนาะ เราลองเนี่ยเห็นเขาดันฟังข่าวดูเออก็ลองมาใช่เนาะออแสดงว่าของมูลไบเนี่ยเขาไม่หลอกเพราะว่าที่ออกอากาศกันเนี่ยบางคนจะกลัวว่าโดนหลอกอ๋อใช่จ้ะเออแต่ว่าแบบหลอกขึ้นไม่หลอกก็ป้าบอกเออลองดิจะได้รู้นะ้าจริงม่แปลจริงไม่จริงอันดีไม่ดีเราท้ายเองเราก็รู้เนาะอ่าสะท้อลองไปก่อนยังมึงจะทางนะอ๋อฉะนั้นกันเนาะเดี๋ยวป้ารอเนี่ยกลางเขาเนี่ย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 081 394 6 9 7 7สเกสหกเกเจเจหากกันมาแต่โดนแล้วบอกมีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทังนม่แต่ขี้ไงแล้วจงังใดคือมาเป็น รู้สาวสิหางสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าหัวใจสวยน้องบอกหัวสาบัสิว่าไปกันบ่ได้ไสว่าสิบอทิมกันไสว่าสิมีกันและกันไสว่าสิหักแผงกันไสว่าสีมีกันตลอดไป ใส่ไว้สิบอกทิ่มกันใส่ไว้สิมีกันเรืยไปใส่ไว้สิบอกแบ่งใจใส่ไว้สิมีแค่โฮ้ใส่ไว้สิบอกทิ่มกันใส่ไว้สิมีกันและกันใส่ไว้สิฮักแพงกันใส่ไว้สิมีกันตลอด ใส่ไสิบอทิมกันใส่ไว้สิมีกันรยไปใส่ไว้สิบอแบ่งใจใส่ไวาสิมีแค เ, เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณจีระ น, นันด้วงฟูกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะให้คุณป้านแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะ บ้านกีลนันร่วงฟูอยู่หมู่บ้านตลาดใหม่เนี่ยค่ ะ, ะชุมชนตลาดใหม่หน้าอะไรค่ ะ, คะหน้านานกุวยเตี๋ยวโลหน้านานกุวยเตี๋ยวเนื้อลายค่ะอยู่ลงสีอ่ะหน้าลงสีใกล้ใกลงสีนครสวรรค์เก่าเนี่ยอืออ่าแล้วก็อยู่ตรงตำบลอะไรคะ ปากน้ำโพค่ะอ่าอําเภอเมืองจงังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะค่ะแล้วคุณป้าก่อนหน้าที่จะมาเจอกับมูนไบรท์เนี่ยคุณป้าเป็นอะไรมาจ๊ะ อ, อ๋อป้าขั้งเรกเลยอ่ะป้าเป็นมานานแล้วเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่ได้เลยตอนนี้สงสารเฟนน่ะเขาค็าต้องลางา น, นออกต้องมาดูแลเลย ได้ยินวิทยุทุกวันทุกวันมาฟังดูว่าเป็นเลขซือใหม่ๆนะเขาก็หาว่าหลอกมั่งเขาติดหลอกมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวนี้มีแต่คนชมกันหมดเลยอะ่ะตาบอกว่าเขาไม่ได้หลอกหรอกเพราฟังแล้วมีแต่คนลนะครสวรรค์เป็นๆแบบเดียวกันปวดตรงสะโพกมาขามาอะไรเดินไม่ได้จ้าในป้าก็ ินแล้วมันดีอ่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้นน่ะค่ะคือแสดงว่าตอนแรกเนี่ยที่ฟังวิทยุเนี่ยไม่เชื่อเลยทันทีก็กลัวเหมือนกันว่าจะโดนหลอกค่ะอ๋อแต่ตุดแต่ดที่ตัดสินใจเพราะว่าไอ้ที่สัมภาษณ์กันมาเนี่ยมันก็เป็นคนในท้องที่พื้นที่ถูกไหมคะค่ะแล้วก็เอ่อประกอบกับว่าเออลองดูเนาะราคามันเป็นยังไงพอลองได้ไหมค่ะได้อืมค่ะ แล้วคุณป้าบอกว่าเห็นบอกเดินไม่ได้เลยเนี่ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้มานานแล้วหนูจะเป็นปีแล้วอ๋อเดินไม่ได้มาอยู่ <มา S 2> จนเปลีใจแสนแย่แล้วนะ่ะต้อลาทํางานลาออกจากที่ทํางานค่ะมาอยู่ขายของเอาเนี่ยค่ะแล้ ว, วขเขาทําคนเดียวเราก็นั่งนอนวันวั น, วนเลยมากินเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะ่ะ อืมคุณป้าที่ดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างคะมันก็ครั้งแรกๆเคยปวดเดินไม่ได้หรอกเออปวดมากคลายเส้นนะเออแต่เดี๋ยวนี้เดินได้มังแล้วเดินได้ไกลแล้วอ๋อแสดงว่าตอนที่กินตอนแรกๆมันขับขับแล้วปวดมากค่ะแต่เราก็สู้ใช่ไหมสู้อ่าแล้วก็เหมือนกับว่าตัดสินใจสู้ต่อแนละ้วตอนหลังก็เลยเบาตัวแล้วก็เดินได้ดีขึ้นค่ะ คุณป้าใช้ไปใช้ตัวขายเส้นไปกี่วันนะคะถึงเริ่มรู้ว่าดีขึ้นเดินได้เนี่ยเดินได้ตั้งแต่กินไอ้นั้นมาสี่ห้าวันเนี่ยอ๋อประมาณสีห้าวันก็เริ่มรู้สึกว่าเบาเลยค่ะเ <5. S 1> ออแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมที่เขากลัวโดนหลอกก็บอกโอ้ที่สัมภาษณ์กันน่ะหน้ามา้าไม่หลอกหอกดีมากเลยดีจริงๆนะเพราะว่า ั้งแรกับกลัวอย่างนั้นแหละโหนแต่<ะ>ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรากินแล้วเราได้กับตัวเราอะ่ะอค่ะกินแล้วมันดีขึ้นเราก็ดีแฟนบอกให้โกจังไปใหม่เนี่ยอ๋อแสดงว่าตอนนี้เดินได้ไกลามากขึ้นจากตอนแรกเดินไม่ได้อยู่กับที่เดินไม่ได้ เ, ดไไดเลยตรงตัวไม่ได้เดี๋ยวนี้ตรงได้แล้ว ส่งตัวเดินได้บ้างแล้วนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณป้าด้วยนะค่ะคาหน่อยเดินได้แล้วดีใจไหมดีใจค่ะอืมค่ะค่ะในการมูนไบร์นะคะต้องขอขอบคุณคุณป้าจิรนันดวงฟูนะคะที่อยู่ชั้นบตลาดใหม่หน้าโรงศิร์รักเจริญตรงข้ามร้านเส้นเนื้อลายตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะ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 จำศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณปทุมกิ่นจันทร์หรื อ, อทางคุณปทุมอนุญาตให้เรียกว่านะน้อยกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้น้นหน่อยแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะค่ะชื่อปทุมค่ะชื่อเล่นชื่อน้อยนามสุณกินจันหนึ่งแปดเจ็ดทับยี่สิหก ถนนมาตลีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จ้าค่ะนน้อยเนี่ยได้สั่งผลิตภัณฑ์มูลไส้ได้นําไปให้เพื่อนบ้านคุณแม่และตัวเองได้ใช้อยากให้เล่าถึงอาการของทีละคนเลยของเพื่อนบ้านก่อนว่าอาการ<ช>นะเพื่อนบ้านเป็นอะไร<ๆ>เพื่อนบ้านเขาปวดข้อมือเหมือนกับจะเป็นมือล็อกกับนิ้วล็อกอ่ะเขาเคยไปผ่ามาทิ้งแล้วแต่ตอนนี้แกบอกว่าจะผ่าอีกหรือเปล่ายัางไม่รู้แกปวดมากเลย แกใส่เทปแกนวดเทปไม่ไหวตัว น, นี้ก็เลยว่าเออก็ลองไปให้เขากินดูว่ะอยากรู้ อ, อ่ะลองเขาหายปวดแล้วเขาบอกว่าหายปวดแล้วตัวเนี้ยก็เลยก็บอกว่าให้ให้เขาซื้อชุดเล็กมากินก่อนก็ได้ให้มันหายขาดจ้าตอนนี้ไม่ปวดแล้วเขาบอกไม่ปวดแล้วไม่ต้องใช้ผ้าพันใช้ผ้าอะไรนั่นแล้วเบาปวดหายเลยตัวเนี้ยเขาหายเลยืด้วยอ่ะ ก็เป็นทางผื่ด้วยแล้วตอนนี้เจบอกว่าเพียงไม่ปวดแล้วก็บอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยก็ว่างี้อ้แล้ลูกชายเอ็นขาดเอ็นขาดตรงหัวเข่าเนี่ยเอ็นอักเสค่ะตอนนี้เจก็หายแล้วอตอนนี้หายแล้วลูกชายบอกเออแม่ไม่ปวดแล้วนะว่างี้ลูกชายของแน่น้อยเองเหรอคะจ้าลูกชายเองเลยธรรมดาคนนี้เขาจะไม่เชื่อคนง่ายเขาจะไม่กินง่ายๆ่ายด้วยอ๋อค่ะโอเค แกกิ น, นหาย<อ>แล้วลสองคนและสองคนละที่ <คน S 1> ดีขึ้นคือแม่ปวดหัวเข่าวปวดหมดเลยนิ้วมือก็ชาแขนชาปวดข้อมือหลังคือพูด ง, ง่ายๆแกปวดทั้งตัวคนแก่อายุเจ็ดสิบเ็ดแล้วแกกินมาเป็นสิบปีเลยนะค่ะแล้ ว, วตอนแรกก็ให้แกไปกินก็ลองให้แกไปกินกินไอ้โมนไบแกบอกว่าเอ้ยรู้สึกแม่ตัวเบาเลยว่าเนี่ยว่านะตัวเบารู้สึกมันโล่งอ่ะมันผิดไปนะเนี่ยว่าองนี้ตอนนี้แกบอกว่ามือเชาเหลือแต่ปลายนิ้วอย่างเดียวแหลวตอนเนี้ย อืมค่ะตามหลังตามอะไรแกเบาแล้วตอนนี้แกนั่งยองๆได้แล้วธรรมดาตัวเลกแม่แกจะนั่งยองๆไม่ได้เลยนะเวลาจะใส่เสื้อผ้านี่แกต้องหาที่พิงที่เกาะอืมตอนนี้แกบอกแกสบายแล้วอืมเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อผ้าเองได้ไม่ต้องเสื้อผ้าเองได้ไม่ต้องพิงไม่ต้องเกาะแกไปนั่งยองๆได้แล้วค่ะอ๋อแต่ดีใจมากเลยอ่ะกินเหอะกินเหอะตัวนี้ดีมากเลยถามว่าแพงไหมไม่แพงค่ะ พ่อแม่นี่หมดยามาเยอะเหมือนกันนะหมดค่ายามาเยอะเหมือนกันอือค่ะแล้วสําหรับตัวน้าน้อยเองเห็นบอกว่าก็ปวดสโพกปวดหัวเข่าไม่เป็นไรแล้วหายแล้วสบายมากกินแค่อาทิตย์เดียวเองที่บอกว่าปวดสะโพกปวดหัวเข่าเนี่ยเป็นมากี่ปีคะนานนะเป็นปีนะเกือบสองปีนะเนี่ยตรงเนี้ยรักษาประมาณเยอะไหมก็กินยาแก้ปวดอยู่เรลยอ่ะไม่รู้อ่ะ หมอไหนดีก็ว่าไปไปเอาน้ํามันมั่งมาทามา่อะไรมั่งก็มันก็ไม่หายเนาะไม่ไม่หายอะ่ะมันเป็นแค่แป๊บเดียว<ฆ>เดี๋ยวมก็ปวดอีกแก้อ้าวไปเอาเอาขาว่าหมอนั้นบีเส้นดีไปบีบโหบีบจนระบบหมดแล้วอ่ะอืมก็ไม่เห็นมันหายยิ่มาหายตัวเนี้เป็นเรขนะ<ฆ>น้าน้อยเนี่ยนุ่งตะเกงนะน้าน้อยต้องกเกงนะนานกะเตียงข้างนะเวลาใส่เสื้อผ้าค่ะ<ฆ>เนี่ยถ้าจะนั่งนั่งลงไปเนี่ยนะ้าต้องหาที่เกาะแล้วยองนั่งลงไปนะ จะปวดตรงมันเอวเนี่ยปวดหลังมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้สบายมาก ก, ก็นั้นรันคือยังว่าเลยอะไรเขาบอกเออมึงี่ยแก่ตัวเขาอะไรนั่งก็โวยลุกก็โวยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรแล้วไม่โวยไม่อะไรอย่างก็แบบมันเบาตัวค่ะตัวเบาวิวไปเลยอ่ะมันลืมหายไปแล้วอะ่ะอืมมันลืมไปเลยบอดีมากเลยยอมรับดีมากเลยที่นากินตัวเนี้ย<ห>นี่กินกับตัวเองแล้วจะรู้ไงอืม ทนาไม่ได้กินเองนะทนาจะอธิบายไม่ถูกทนาะจะบอกไม่ถูกแล้วว่าเอ๊ะ ม, มันเป็นยังไงยังไงไปเห็นฟังนางวิทยุเอ๊ะ ม, มันเป็นยังไงอ่ะก็เลยลองกินมากก็ปวดแลปวดตะโพกมา น, นานแล้วนะสองปีเข้าสองปีเลยเนะี<ะ>่ยค่ะตอนนี้ไม่มีแหละหายแล้วอืมดีมากเลยเ อ, อ่อเปิดเปิดร้านอาหารอยู่ชื่อร้านอะไรคะร้านลุ่งนิรันต์หน้าวัดทีวงเนี่ยมาถามได้เลยมาดูได้เลยรับรองได้เลยไม่เป็นหน้ามาไม่โกหกไม่เชื่อก็โทรมาถามได้เลยไม่ชั้นก็มาที่ร้านได้เลย ไมโกหกร้านลุกนี้ร้านไม่มีไปไหนอืมค่ะคุณน้อยนี่เป็นคนที่กลัวมากเลยนะค่ะนี่เป็นคนที่กลัวมากเอ๊ะเขโกหกเขเปล่าเลยลองเลยลองเนี่ยลองซื้อมากินว่าเออเขาหายแล้วแล้วคนข้างๆนี่เขาก็หายแล้วตัวเองก็หายอ่ะยอมรับเลยอืดีเพราะว่าตัวเองก็พิสูจน์ครั้งตัวเองเพื่อนบ้านคุณแม่ลูกชายทุกคนหายหมดสี่คนเลยเนี่ยสี่คนเนี่ยลองให้กินหมดอ่ะได้ผล่ะค่ะโอเค ทางรายการมูนไบร์ทนะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้าน้อยนะคะอันนี้เป็นเจ้าของร้านเองเลยนะคะค่ะเจ้าของร้านรุ่งนิรันต์นะคะขายลาบส้มตำน้ําตกนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดทีรีวงศาบลปากน้ําโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ได้มาแบกปันประสบการณ์ขอบคุณมากค่ะค่ ะ, คะขอบคุณคะ่ะ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 เฉลี่ยวันละยี่สิบตัวบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ศ8 1 394ปดหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดย้ำศูปดหนึ่ง 3 9มเก้าสี่หกข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ํามันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ําสั่งชุดน้ํามันมูลไร์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถมหากท่านมีปัญหาโรคเส้น